เทศอบรมพระวันที่15พฤศจิกายน2521หนี้เผ็ดร้อนพอประมาณเทศวัตถุต่างๆไม่ใช่สิ่งให้เกิดความสุขทางใจถ้าไม่มีธรรมแทรกอยู่ด้วยนั่นเป็นสิ่งอาศัยเพื่อครองขันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นหลักใหญ่คือใจผู้ครองขันครองตัวเรามาบวชปฏิบัติ เพื่อมักผลนิพพานแต่กิเลสไม่บวชไม่หวังมักผลนิพพานกับเรามันจึงต่อสู้เราเราจึงได้ต่อสู้กับกิเลสเทศอสุภะจนถึงขั้นปล่อยวางกล่าวถึงนางสิริมาด้วยกันนิเพร้อนพอประมาณใครอัดฟังได้ แต่ร้อนโลภคิพายอย่าพะกันฐันทิพฐาหนสนใจต่อไปทำให้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องล่มจมแน่นอนเราจะไปสงสัยว่าโลกนี้จะใครมีความสุขไม่มีเรายืนยันได้เลยถ้าไม่มีธรรมเ่ออย่างเดียวเราอยา่าเข้าใจว่าวัตถุสมบัติจะยังโลกให้มี ความสุขความเบียนใจและสงบสุขสบายไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นเชือของไฟเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เห่อเฮิร์ลืมเนื้อลืมลลตัวแล้วออกทำไปในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องอุตส์หะเลย ที่กลิ่นที่มนุษย์ไม่ต้องการก็คือเรื่องความทุกข์ความคิดหา ป, ปุ๋มปีนั่นก็เป็นมาได้เพราะเหตุมันเปิดออกมาแล้วผลมันปิดได้ยงจิตงเป็นสิ่งสคัญที่จะรับการหลกหลังกาง เ, เห็นว่าเรามีคุณค่าแล้วเราต้องเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า เพื่อยังคนให้ประสบิหรือหลุด พ, พ้นจากทุกข์แต่ได้เดิมหนักว่าเป็นของมีค่าเหมือกัจริยธรรมยังเห็นถึงนั้นว่าเป็นของมีค่าดีงามได้เพราพการทําลายตัวเองอีงามนั้นทำลายโดยลํานัก่พร า, านักบวชนักปฏิบัติเราหัวใจเสียดายอะไรผลของมันก็เห็นอยู่นั้นชัดๆเลย ใครมาไม่ถึงทํามระบายเรื่องความทุกให้ฟังในเรื่องนี้มันมากต่อมากที่เกี่ยวข้องกับคนไม่เคยมีใครที่จะนําเรื่องความสุขความสบายมาเล่าให้ฟังเลยไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยคนโง่คนฉลาดทั้งหญิงทั้งชายฐานะท่านไหนๆก็ตามเถอะมีแต่เรื่องกันเดียวเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาระบายเรืงความทุกความลำบาก ลองคิดดูสิถามว่าความเป็นของโลกมันเขาดำเนินกันอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขความสมหวังในโลกต้องการสิ่งนี้เขาทำไมจึงต้องมาบทกันนั่นก็คือเขาได้รับความทุกข์นำเรื่องความทุกข์มาบทกันมาเองแล้ไม่ทราบว่าจะแก้มันยังไงต้องแก้เรั่ทุกข์นั้น มันมีจาสนาเป็นเครื่องกระตุก บ, บ้างแล้วขอแยกมันขอให้คูณปฏิบัติหนักไปทั้งผู้รูจักทรงท ร, รู้สมงยมทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งขุทั้งทุกทรงแสดงทั้งหมดไม่ปิดบังนี้นะโอดอย่างความเป็นของชิเล มันพาคนได้ ร, รับความทุกข์เพราะมันอยากไรบ้างโลกการแสดงรากะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างโทสะก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างโมหะก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างความโลภก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างจทีนนี้ไม่ปรากฏว่าก่อความสุขให้โลกเลยนั่นสั่ ตามหลักธรรมของพี่เจ้าผู้สงค์ค้นพบจริงๆจัดผิดแทนตัดได้อย่างไรห่างล้มไม่เชื่อของพุทธเจ้าอะไรแต่เชื่อครหัวใจเรามันจองตรองแะไรก็สิ่งนี้อยู่แล้วมันกระพยายามกำจัดตัดต่อนั้ออกไปเพื่อไม่ทำทเห็นว่าถูกต้องแล้วตามหลักธรรม เราจำต้องฝืนที่จะต้องทําให้ người. ในสิ่งที่พระองค์สอนนั้นส่งเสริมให้หนึ่งสเสริมอนให้กําจัดที่ยากลําบากเยอะได้อาหารถนัดไหนก็ต้องกําจัดเพราะเราเชื่อเราไม่ได้เราเชื่อได้แต่พระพุธทธเจ้าอุจฉาดระลังง่มขกล่าเหมือนอย่างคนตาบอดที่หวังความปลอดภัยแต่ตนก็ต้องเชื่อคนตาดี คนตาดีพาไปทางไหนก็ต้องไปโคงต่ำลำายากลำบากลำบนหน้าพื้นคือขู่ะไรตามสายทางเมื่อคนตาดีพาไปทางไหนก็ต้องไปเพื่อคนตาดีและปลอดภัย้าไม่เชื่อคนตาดีเชื่อตัวเองซึ่งเป็นคนตาบอดเนี่ยไปไหนก็ไม่พ้นจากความไปโดนองค์ทุก หัตอก็เป็นไผต้นไม้ก็เป็นไผ่ซึ่งต่างๆเรีว่าขวากว้างน้ําหลุมเป็นบอ่อเป็นโศกเป็นเหวน้ําเป็นโคลนมีแต่เป็นข้าสุดทั้งนั้นสำหรับคนไม่เห็นคนตาบอดจะต้องโดนทั้งนั้นคนตาดีแล้วไม่โดนหลบดีปีดตัวไปได้ดังสะดวกสบายเพราะตาเห็นอยู่สิ่งนี้จะเป็นไผ่ ฝืนก็ไปเหยียบให้มันทำหนืกนไปโดนมันทํานักฝืนเข้าไปทไํานักหนัมอื่นงพวกเราวบก็ต้องเสื่อมประพติเจ้ า, เาทรงมีหูทิพย์าทิพย์ทรงมียานมิ่ทุกอย่างข้อมูลหมดแล้วสอ น, อ ย, านออยางได้ก็ต้องพยายามทุกยากลาบากทั้งการถอดถอนิลิตอาสวะ พยายามให้เต็มความสามารถยู่งใดกคนจะแก้ต้องแก้อะไรจะได้ขนาดไหนก็ต้องแอก้เพราะเสียดายก็คือเสียดายหัวหนามที่ยอดอยู่ในฝ่าเท้าเสียดายมันอะไรเจ็บก็ต้องทนถอนออกมาถอดออกมาจนได้ กิเลสธนาอาสวะมันฝังติดใจลึกจริงของหัวหนามทำนั้นมันทุกข์ยากลำบากเพราะการถอดถอนมันไปได้เลยมันต้องทุกพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วและยอมรับมาแล้วว่าทุกขนาดสลบสลายจะไม่ทุกข์ยางไงคนเรา นึ่งก็คือการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลส น, นั่นเองขนักที่สลบสลายนคนพระไกยหานี่อยู่เก้วันก็เพื่อถอดถอนกิเลสนี่เอง เ, เป็นแต่แจ้งว่าใช่าทางไม่ใช่ทางพวกผมยังไม่ทงทราบเพราะเป็นสยามภูจะพึงนู้เองเห็นเดิมปฏิบัติดัเนินโดยลำพัอองพวกผมเองไม่มีครูในการพูดแนะนำท่านสอนเหมือนอย่างพวกเราที่มีอย่แล้วนู้นทั้งตำลับตําราทั้งครูบาอาจารยา์แนะนํำสอนอยู่ มันขึ้กันของโลกกับพระพุทธเจ้าที่ทรงดาเดินไปโดยลําพังพระองค์เองก็ต้องหยาบความหยากน้นําทั้งที่มันต้องการจะเหยาบมันก็ต้องละเอียดเป็นธรรมดาโดนความเพิ่มความลําบากเช่นอดสองอดพรกระยาหารสี่เก้าวันไม่เป็นทุกขณะถึงขนาดแล้วจะเป็นทุกข์ถึงขนาดไหนเราพี่นานดิ้กก็ทรงทำคล่องฝ่าทรงฟื้นทุกสิทุกอยา่าง การเสด็จออกทรงประหน่วยเพื่อความอะไรเสียดายบริษัทปรีวันเพฟ้าประชาชนไดหอพระราชาโอรสพระชายาในวงสกุลคนวาา่านี้แต่เป็นกษัตริย์ทำไมอายเสียดายอย่างไรทำไมพระองค์ทรงฝืนขนาดนั้นทรงทำได้ไม่ฝืนทำไม่ได้ ต้องฝืนเนี่ยเ้าก็ทราบยู่้ฝืนพรทรงเห็นเดีเห็นผลข้างหน้าว่าจะเลิศยิ่งกว่าจริงอย่างนี้อยู่แล้วเราฝืนนี้แม้จะทุกข์ยากลำบากความสุขกับคุ้มค่ากันคือความเป็นศาธาของโลกตามพระประสงค์จึงต้องฝืนแล้วฝืนอยู่ทุกเวล่ำเวลาทุกแง่ทุกมุมด้วยพระพุทธเจ้าเวื่อถ้าประทับในสถานที่ใด สถานที่อยู่นั้นก็ไม่ใช่สถานที่อยู่ของกษัตริย์นึ่งสถานที่อยู่ของคนขอทานเราดีๆนี่อาหารก็ไม่ใช่อาหารของกษัตริย์ฟังนี้อาหารคนขอทานเราดีๆการหลับการนอนเครื่องหนุนห่มช้านอยไม่ใช่เครื่องของกษัตริย์ทั้งนั้นเป็นเครื่องของคนขอทานเราล่นล้วนพระงจะไม่ฝืนอย่างไรล่ะฝื้นดูฝื้นเฉย หลับฝืนนอนฝืนใช้หูหงายใช้ศรีตามกระภาพเพราะทรงมุ่งหวังต่อทามันแรงกล้าฝืนก็งฝืนเป็นก็เต็นตายก็ตายอ้าวสลบก็สลบเมื่อพ้นแต่สลบก็ฟืนโท่าอมค์กยอมให้สลบแล้วทรงทาจนสลบถึงสามคนน่ะต้องเห็นอยู่แล้วในสมัยโบราท้บา like ทเหมือนนั้นพี่นายนี่แะจอมศาสตาของเรา ต้องลำบากมนขนาดนี้เหตุใดเราเป็นผู้คอยล้างหนูเปิลเพื่อนจะทันเปิดเดข้ามาจากเปล่าเขายังจะร้องให้เถึงว่าลำบากข้ขางบานแล้วก็อยากกินพอให้ตายจะเป็นทุกนะข์ไหมน่ะคอจะตายมันก็ต้องอหวูวโหยพอตายมันเพงจะตายเปิดเข้ามาจากเป่ า, า, เ า, ยงง า, ายังเห็มีความลำบากเอาอย่างไรสบายเอาไมนต้องเปิดแล้ว อ, อ, อันนี้เฉยๆนะนี่ต้องกินหน่อ โ้ยเราความหิวโหยมันแผลมันเผาเขานั้นยิ่งเป็นทุกข์มากเห็นไหมล่ะนั่นคิดเ้วยเดี๋ยวนี้สติปัญญามันทุกข์มากขนาดไหนมันทุกข์มากกว่าการเปิดเข้าสตาวใช่หรือหรือไม่ดีตายถ้าไม่ทําไม่มาเปิดมาไม่มากินมาทำงานประเภทนี้มันต้องตายให้เราค้ามยากลำบาก แล้วภาษาววกทั้งหลายก็ดีมนนีค่าคึงกับพระพุทธเจ้ารูอมากเป็นทำงานงน่ายแนใ่นอนหรื อ, ออกไปได้รับความสะดวกสบายสะดวกงบเินผานไปเลยมีน้อยมากที่เะียบกับพิาพิญญาวันที่บรรลกกุถึงจะได้บรรลุหรือจะวิเชยก็บรรลุเอกบรรลุออาบรรลุอลอก เราต้องคิดนี่เป็นเครื่องเตือนเราให้มีความเขมักข้มงวดให้มีความเบิกบืบอ น, นอดทนคนงานต่อสู้นีเหล็กไม่ใช่ของดีเขาใจอย่างนั้นคือตัวเวรทีเดียวตัวผิดร้ายสังอยู่ภายในใจใช่ด้วยมันจะสังอยู่ภายนอกผิวหนังหรือค้างอยู่บนบ่าบนทีษศเพราะอจะสลัดตัดทิ้งได้ง่าย มันสั่งตรงอยู่ภายในหัวใจจึงจะต้องทําการถอดถอนกันอย่างเต็มกำลังความสามารถดูวบายวิธีความเพียร ท, ทาาต่างๆมันจะไม่ยากลําบากสักใดต้องยากต้องลงําลบากลําบากเราก็ทนแล้วก็ทราบได้ว่าเราถอดถอนหัวหนามออกจากหัวใจอถอนนั้อยมากน้อยก็ค่อยเบาลงไปบาลไป น้ำมนไม่ใช่น้ำเดียวที่เดีน้ำเรืใหญ่มันเป็นหอกเป็นล้ากว่าถึงสามน้ำสี่น้ำความโลภความโกรธความหลงราคาทำหายหนักมันเป็นา้ำต้คัญต้องคันที่เดียวย่อไปแล้วถอนไม่ขึ้นง่ายดีนะมันต้องในพุ่มเทกําลังความสามารถางไปให้เต็มให้เต็มหน่อยยาตัดิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นโลกดิน น้ำลมไฟนึ่มันเคยมีมาตแต่การไหนการไหนแล้วมันไม่สูญหายไปไหนอยไปเสียดายอย่าไปว่าถ้ายัาเอาความคิดประตุเูเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้มาหลอกลอนตัวเองเออสิงทั้งหลายเรานี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีถ้าจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องวุ่นวายแล้วก่อเรื่องให้เกิดขึ้นมารู้ยแย่กว่าควรเจ้าของแล้ว โลกทั้งโลกจะเหมือนไม่มีเลยทางในจิตเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงยินวานไม่ไปวาดมนโนภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรนี้ทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันเข้ามาที่แย่กออคนตนเองให้เป็นเหมือนกําหันหมุนติวติวนั่นนมันถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาหาจิตไม่ออกไปยุ่งสักอย่างเดียวทั้งนั้น โลกมีก็เหมือนไม่มีเอาพิจนาไปดิจะไม่หนีจากที่พูดนี้ไม่พ้นไปได้จะยอมรับคำพูดอ น, นี้อย่างถึงใจทั้งเมื่อปฏิบัติให้ถึงจุดนี้แล้วนี่เคยได้เป็นมาเป็นลำดาเวลามันลม้มลึกควุกคลานมีแต่กิเลสหยียบย่ำทำลายเราทั้งทังก ต้อเหมือนกับว่าจะสลบสลายไปเปล่าไม่เนี่เรื่องอำ น, นาจขเยื่อเเล่นงานเราเราก็เป็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วตอนนีตมีแต่วความคุกความขนองดิ้นเดินกัดแกร่งมุ่งก็งกจะเอาไปข้างนะเป็นมา แ, แต่ก็พอบความเพียรความเพียรสําคัญมากความต่อสู้ความเอาจริงออกจากความเด็ดเดี่วอาถาร ความมุ่งมั่นเป็นเส้นทิศทางเลยเป็นเครื่องดึงดูดความเพียนทั้งหลายให้เป็นไปตามกันวิญญยณจิจักมังสาทันเป็นไปต า, ตามกันเรื่องความมุ่งมั่นสําสคัญมากนะเราได้เห็นคุณค่าจริงถ้ามุ่งมั่นต่อทำแดนพ้ น, พนทุกอย่างสุดหัวใจไม่หวังจะค้างอยู่ในโลกนั้ห น, ห น, นเลยแต่เวลา vo เริ่มออกมาปฏิบัติมีความมุ่งมั่นอย่างนั้น แม้ตั้งสัจจะฐานเอาไว้ในขณะที่เรียนนังสืออยู่เราก็ตั้งสัจจะฐานหากเยี่ยนสำเร็จตามความต้องการในภูมินั้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยไถ่ยเดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อออกมาแล้วไอ้กิเลสมันไม่ได้เห็นดีด้วยเหรอนะเรื่องความหลุดพ้นของเราพอมันจะอัตโนมโัติมาวยิ่งจะต้องฟัดกันดังต็มที่ในขณะที่เราจะออกจากมันเห็นไม้มล่ะ ล้มลุกคลางเลยนะนทำอะไรเจลดสะไหลบ้างไหมมันต่อมันต่อรูอมันถุดมันลากเราแต่เราก็ไม่ถอยเฮงจนกระท่งจิตไปแล้ความสงบเยือกเย็นนี่กิเลดตัวฟุ้งมากๆนี่คอยระงับตัวลงไปนั่นระงับตัวลงไปเพราะเห็นใดกับเพามอำนาจแห่งความท่าเพียนความพยายามความบึกบืนของเรานั่นเองเห็นคุณค่าแห่งความเพียนประเภทหลนี้แล้วกิเลดหมอบลงไป เป็นความสงบใจไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายตอนที่มันยังไม่สงบนี่โอ้โหยิ่ที่เหมือนเหมือนเราผือตัวหนึงง่งนม่นะไม่ทราบเป็นยังไงเราไม่ลืมเพราะมันอยู่ในหวัวใจมันเป็นสัจธรรมถึงจะเป็นพวกนั้นที่ราคาสาร า, ารตาปะตจาราพ น, นีก็ต่างคือการมาแตนเท้าแตนเท้าอยู่พวกแตนเท้าต่างนี่นก็เป็นสัจธรรมนี่เป็นขุมไทยยักษ์ศตร์ว่าหน่อยเราปฏิบัตินี่ มันเหมือนมันจะกัดจะฉีกเราจิตใจตรงนี้แต่ไม่ถอยอะไรเลยไปคิดไปได้หมดบางครั้งจนถึงี้ตกวิชาร์เนี่ยทำไมจิตจนตอนเรียนมันเสีย อ, อยู่ก็ไม่เห็นมันผ่านโหนโเต็นถึงขนาดนีน้เรื่องขี้เหรกประเภทต่างๆเวลาออกมาปฏิบัติทําไมามันถึงเป็นแบบนี้บางทีได้บิตกวิชาระของ แต่ความจริงมันก็คือมันมันมีสปอร์มีติเข้าอเหมือนเนื้อตะกอนมันนอนพอเราจะพยายามเอามันออกมันก็พุ่งขึ้นมาตะกอนมันก็มีเท่านั้นอย่างันไม่มีมาจากไหนมันแต่เวลามันถูกคุ้ยเกี่ยวล้วก็พุ่งขึ้นมาทําน้าให้คนมันก็มีเท่านั้นอ่ะเอามันออกเป็นลำดับลำดับ ตามก็สนบแต่งด้วยสารส่งลงไปลงไปเพราะความเพียรในท่าต่างๆของเอียบุตรอุบายต่างๆของความเพียรพยาามก็สงบได้นี่ยคือเประเภทนี้กเรียกว่าหมอกพร้อมมีความจุกบ้างคิดไม่กระเสืดหลังไม่วุ่นวายก็จะเกินเหตุเกินผลนั่งลงมาปฏิบัติมันดุ้งจริง เห็นได้ชัดๆไม่เคยลืมแต่สำคัญที่ว่าจิตมันไม่ถอยเท่านั้นเองมันจะผ่าผลโนเตรนพาวเหาะพาบินไปตกมาเราเอาูีที่ไหนเราก็ไม่ถอยที่จะต่อสู้มันสุดท้ายมันก็สงบให้เนี่ยมีพู้แต่งความผาด ผ, ผลของก่เลกมันแสดงอย่างออกหน้าออกตาแต่ความผาด ผ, ผลของคนเพียนร้องกับพอะฟัดพอบอยมันไปเพราะนั้นมันถึงสงบตัวลงไป อยากได้ไม่ยากหรือนงหล่ะจิตมันมีความสงบแล้วมันก็พอสบายคนเนาะหากิจไม่มีรากฐานแห่งความสงบเลยนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ถือมีแต่ความร้อนวนวายหมดแม่ครูบาอาจารย์อให้อุบ า, นานยนํำการสอนมันก็ยังไม่พอใจจเยว า, า, า, าวัยยิ่งคารูบาอาจารย์ดูด่าว่ากามบ้างแล้วเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาภายในใจิตใจมันทั้งที่คำด่วาว่ากานนั้เป็นธรรมอย่างนี่งแต่เพราหัวใจเราเป็นป็นไฟ ทำกับไฟทุกิเลสนันมันเข้ามันไม่เข้ากันมันเป็นข่าศึกกันต้องก่อพึ่ม ก, กับไฟเพื่มาเผาเราพวกเขาไม่พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้นคํานั่นคํานี้นของครูบาอาจารย์มันเป็นไปได้เหรอเนี่ยถ้าใจไม่สงบเป็นได้เป็นได้ง่ายๆเดียวถ้าใจสงบแล้วเรื่องเหลนี้ก็ค่อยสงบระงับไปนี่สงบมากเท่าไหร่ปะยิ่งสงบละงับลงมากไลยเห็นคุณค่าของ เพราะว่าคำต่องสอนครูบ า, าอาจารย์ น, นั่นกับอาชีจิตก้าเข้ า, า, าสู่วิปัสสนาวิจันาสังขารเดงขันแยกอาแยกขันเนี่ยจิตมันเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาเข้าใจไปดูลำดับยอมจำนวนยอมจำนวนตามปัญญาจิตพิจัสสนาโดยทางเหตทางผลแล้ว นี้จิต ก, ก็มีความเบาลงไปเบาลงไปสบายลงไปงแต่ราคาปัญหาก็เหมือนกับเป็นไม่มีทั้งที่มันดิ่งของมันสงบตัวไปเพราะน้าหนางความเปลี่ยนนี่เราก็จับอันนี้เป็นกับขีปยาน้อยจริงอันนี้สงบไปเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนต้วยวิธีต่างต่างที่ยิ่มลงไปนี่ พูดถึงเรื่องความเพี่ยน้ารเหล็กมันต้องยากเพราะทำเป็นของประเสริฐี่มันดูฟาดกำแพงกี่ชั้นกี่ร้อยกี่พันชั้นกำแพงนี้เรื่องพิลึกมันขวางกั้นไม่ยอมให้ไปต้องฟาดฟันกันหั่นแหลกลงไปถ้าจะเทียบเรื่องทางโลกก็ระเบิดนี่มีกี่ประเภทต้องทุ่มกันลงทุ่มกันล ง, ถ, ง, ง, ลงถึงขั้น พลมานูนิเพียร์ก็ฟาดมันลงไปถึงขั้นสติปัญญาที่อย่างฉลาดแหลมคมวานแก่ที่เจะต่ะเพศใดจะทำลายที่เหลยสเพศใดได้ก็ต้องทุมงท่มกันลงทุ่มกันลงความเพียรก็หนักเป็นก็เป็นเหมือนกับว่าเราจะตายไม่ตายก็ให้หนูเราเไม่ตายให้กิเลสตายเอาี่เหลสไม่ตายก็เราตายมีสองคนนั้นเพราะพู่ต่อสู้มีสองคนนี้มันต้องทุ่มกันลง แล้วพคนมือเราไปไม่ได้ยิ่งมันหมอกต่างไปหมอกลงไปฆ่าไปด้วยเพราะฆ่าตรงไหนฆ่าคําว่าฆ่าคือขาดออกไปด้วยความยุชัดของเราขาดออกไปขาดออกไปมยนโยกฆ่าหมอลงไปคือความสงบของกิเหลสประเภทนั้นสงบตัวเข้าไปนอกิเหลสมันหนอกกิเลสประเภทใดที่ขาดออกไปจับใจทราบชัดว่าขาดอไปนี่คือถูกฆ่าแล้วตัวฆ่านี่ปัญญา ชัดลงไปโดยลหนักจนกระทั่งข้าหมดไม่มีอะเหลืออยู่ภายในใจเลยมีความเพียรประเภทต่างๆที่เราล่มโุกุคารมารวมมาเป็นพลังอันสําคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเห็นคุณค่าของวมเพียนเพราะได้รู้อันนี้เพราะความเปลี่ยนประเภทต่างๆตั้งแต่ขัน้นล่มโลกุคารมาจนมาทั่งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไเหลือเลยเรียกว่าได้ชัยชนะเต็มทง นะงานก็เสร็จสิ้นเอย่า ง, งานจัดหนางานแก้ยุเหล็มีความเสร็จสิ้นตงได้ได้วยความเปลี่ยนของเรามากแล้ว้าเร็ยๆนั่งขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนความพยายามผู้บายวิธีการาต่างๆสําคัญที่ปัญญาทำไมช อ, ชอบคิดชอบค้นต้อปัญญามล้ก็เกิดึกิดหากมม่อนสงบไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิหิดที่จะเป็นสมาธิความสงบไม่ได้เพรามมีสติในขณะภาวนา มันก็ต่อเห ต, ตุผลเกี่ยวเนื่องกันมาเดิมำดัถ้ามีสติคอยจำกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความรักในอัตในธรรมในความเพียรทุ่มตนนีน่มันไม่มีความพยายามไปได้สติก็สงหอกเพราะสติเป็นสำคัญหงอกลงได้แล้วก่อนหยีบผลเป็นลํำดับลาดาไป เราเห็นไม่ในโลกสามโลกนี่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมีใครอยู่เหนือกิเลสได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตรนั้นอุบายที่จะวิธีการที่จะได้ขึ้นอยู่เหนือกิเลสมีใครแหละ ม, ะมัมยิ่งกว่าอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าอุบายเหล่านั้นก็ทรงสั่งสอนพวกเราทั้งหลายอยู่แล้ว่ แล้วถ้าไกลไปด้คือจดจารีึกไว้เวลาท่านไริ่านม่งไปแล้วอ่านอ่านนั้นแล้วเขาก็มาอ่านใจโรยดีอุบาหรณ์วิธีใดที่ถูกกับกลิตจิตใจของเรานำอุบานั้เข้ามาเป็นเครื่องมือของเราสักฟอบุิขิตนาฏว่าของเราน้ตากดผลขึ้นมาด้วยเราเอนผลอันนี้ไม่มีใครมาแบ่งสันส่นกนเลย เป็นลุมอดของเราด้วยอุบายวิธีการของเราที่ยืมเรีนมาจากพระพุทธเจ้ายังประทานอุป ว, วัไว้เรื่องปัญญาสําคัญความรวดเร็อเวอยู่กับปัญญาอยู่กับความเพียรความสงบก็อยู่กับความเพียรความไปอ ย, า, อยางฉะนั้นกับชาติปัญญาพิ้พิจนาในสกุลอากาศไม่ว่าข้างนอกอมันติดมันคล่องมันดูดดื่ม พอใจกับวัตถุอินทรีเอานําวัตถุชนั้นมาพ้นความมิจารณามาแยกแล้วมันขยายดูให้มันหมดเป็นรูปเป็นต้นเป็นงไงเป็นราเป็นชาดูให้มันละเอียดละออจนกระทั่งกระดูกทุกท่อนอาหารหม่อาหาเก่าที่เต็มไปด้วยของประยุกต์ทั้งเลือดทั้งหนังเส็นตัางเป็นเวลาเน่าันก็แล้วเป็นยังไงกระเจ้าจากกันหมดกระดูก ทุกท่อนที่ติดต่อกันได้ด้วยเช่นนุ่นเอ็นนุ่นเอ็นตัวแตงโมกับตาตาด้วยกันหมดเหลือตะกระโหลกที่สาวตะกระดูกนั้นนักได้เลยชอบใจแล้วเลยนะชอบใจได้เลยนั่นริยมปัญญาพิจานั่นออกย่นขมาจะย่อนขมาจากของพิจารณานลงไปแบบนั้นดูดูกระดูกตะกระดูกนี่นักกันได้เถ้าไม่ใช่ใจมันเป็นบ้าต่างหากไปหลงกระดูกกระดูกนี้ก็ไม่ ขยายออกไปทำมันลงตามสว่นวนตดาวแท้ จ, จริงแล้วก็คือธาตุดินดินไม่น่าส่วนไหนพื้นาเป็นขั้นปฏิกริก็พื้นนาลงเป็นขั้นธาตก็ลงออกธากุดถ้าตุเย็นในปัญญาทุกอย่างทุกอย่างจิตใจมันก็ถอนตัวซ้สำๆกักซากพื้นน้ำมันเห็นธาตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับเราเคยจมอยู่ในกิเลสที่เกี่ยวเรื่องเหล่านี้ทั้งวันทั้งคืนดืน น, น, น, นั่งนั่งนอนอยู่เพราะนั้นมันก็ไม่ทันเลยจนกระทั่มันพอแล้วมันถอนเอง มันพอแมันอี่มพูดยังไงอิ่มตัวแล้วถอนเอง <S <S ไม่มีใครบอกก็รู้มันถอดไม่เคยรู้ก็รู้เรียกว่าสันติโกพระิจาไม่สรงผูกขาดนี่เคยพูดช้ำช้ำชักๆมาหลายครั้งหลายผลจนเบื่อจะพูดและเบื่อจะฟังแล้วที่ฟังก็ดูเป็นความกลิ่นที่ตอลอดเวรา ย, ย่างนี้อาจจะไปทอดผอม ย, ยังไงนี่เรียกปัญญาว่าปัญญา พี่นาเอา้ามันขัดมันมีความดืดด่มๆพอใจนั้ไหนเอามาฟาดมันแหลกหมดวันหนึ่งกีขนอนอ้าไม่ต้องไปนับอา้าให้มันดูด้วยกันหน่อยกับสิหงนี้ไปที่คุณโศกนี่สิ่งที่มันเกิดสันตันเราเป็นของดีเป็นของสวยของนามนะใคชอบใจเขาพิามานนั้นเห็นม่ทานหือชอบะชชอะไรหมดนํ่ท่านพตะพุเจ้าโร่สอนสาวกสนนารสิริ ม, มา ซึ่งเป็นผู้มีความสวยงามที่สุดใน น, นังสือแต่เป็นโสเพณนอยู่ผู้ชายไปนอนร่วมคืนพันกะหาปันะกะหาปันะอน่างเนี้ยนไม่ใาดเท่าไหรรคืนแล้วพันกะหาปะนละจ น, นต้องไปป่วยพอล้มป่วย ย, ยังมีทําในใจ มีความเริ่มใช้สอนน่ะนีบนพระประชันในบ้านประชันที่ที่บ้านนี้นแนนก่ท่านท่านกำลังเจ็บป่วยฉันในบ้านพอสาวใายพยุงใจลุกขึ้นมาไห า, า้พระพันโมคคะองค์นั้นเห็นเขา้าอะรักชอบเอเอหรือว่าเลยจะเป็นบ้าอยู่ในขณะนั้นเลย จ, จะเป็นบ้าอยในขณะนั้น ให้ลืมคือจเนเกลี้ยงจะลืมเคี่ยวอาหารปิ้งข้าวบ้านเขานะ่ะจะลืมเคี่ยวอาหารหลงรักนางสิริ ม, มาอมกลับมาถึงบ้านแล้วกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยพร้อมโซจะตายแต่ถามเป็นไงวันรักนางศิริ ม, มาหวัง น, นเนี้ยดีนะาระคัมภีร์การพูดกลมไปกลมมาดิก <c oughs> ็ <c oughs> ขอ เ, ขเอิญในระยะนั้นนางศิริ ม, มาก็ตาย แต่ก่อนคงม่ีกฎเกณฑ์อะไรอะไรพละตาพระ อ, องค์เสด็จเต็นแล้วประกาศวันนี้นางศรีมาตาถ้าจะไปพิจารณากรรมาฐานด้วยกันกระไปพระองค์นั้นไปด้วยไปพิจารณาออกนั้นแล้วก็ดูว่าให้คนเอาศพนางศรีมา ที่ประกาศทั่วเมืองประกาศขายน้องขายจะเอาศพนางสิมาหนึ่นงเท่านั้นเอามาเท่านั้นเอาม า, า, า, มาลดลงไปเดยิยตลอดจนมาาระทั่งหาพระนัหนึ่งก็ไม่เอามันตายมันนอกพุ่งลงไปแล้วเท่านั้นถ้าว่าจําไม่ถึกก็พิจารณา น, นี่แหละเรื่องที่เล่ามากๆหญิงคนนี้แหละเป็นเหตุไม่ได้สําเร็จเพราะตะผลนะพระองค์ก็ย่ง จงมีความมุ่งหมายถึงต้องทําอย่างนั้นเพื่อหวังวจะเอาพระองค์นี้ไม่ให้จมไปกับนางสีมาขึ้นเสียนางสีมาจะตายก็ตายไปคนนี้จะจมเพราื่องความรักความติดจมนางสีมาก็ถอนขึ้นมานะ้รูบายของพระพุทธเจ้าเองมีการบ้าไม่ใช่มีนนานนะน้องๆเลื่อมๆนะเมื่อไม่เมื่อ ม, มีสิ่งเทียบเคียงมนันเข้าคนคนเดียวนั่นแหละ มีความสวยวางงามแหะเมื่อพิจารณาไปตามส่วนแห่งความไม่สวยไม่งามความปฏิปรูนของมันที่มีอยู่ในตัวของมันเองนั้นมันก็ต้องเข้าใจตามนั้นความรู้ความเห็นความเป็นที่เคยเป็นมาก่อนมันก็ต้องพลิกตัวไปตามความจริงนั้นเพราะการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความจริงของหมังในขั้น น, ออนั้นของนั่งก็ลงกระกายลงไปเป็นธาตุ ผิดก็มือนกันเม่อมันอยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณานี้ในขั้นนักต้องพิจารณาขั้ น, นอรูปะเป็นยากแก้กันจะข้ามนี้ไปไม่ได้อืบนบ้านเราเห็นอยู่แต่เราจะเหยียบบันไดนี้เราแยกสระ บ, บ้านเลยมันไม่ได้อมืมันต้องไต่ขึ้นไปโดยลําดับนะเหยียบบันไดขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นจนกระทั่งถึงบ้านถึงที่อยู่จริงๆการพิจารณาธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันมันติดอยู่ในที่ตรงไหน การแก้กันแก้ด้วยอุบาลใดที่จะเหมาะสมกับความติดอันนี้ให้มันถอนตวออกมานีแล้วก็ต้องแก้ด้ยวยอุบาลนั้นจนกระทั่งมันหมดความติดแล้วก็จะไปพิจารณามันอะไรเหมือนจะขึ้นถึงบันไดจนกระทังถึงบ้านแล้วใครจะไปกอดบันไดไว้แตก่กอดไว้ทําไมถ้ามาใช่บ้าปผัวพิจารณาทำทั้งหลายเหมือนกันพิจรณาจนถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่ยืมพิจรณาอีกแล้วก็ปล่อยโดยประการทั้งปวงฟังดิ ชาเปตธรมมนานังอนเนวีสาย์อภิญิเวสะย์ยะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นถึงขั้นที่พระองค์จะทรงสแสดงธรรมบทนี้ขึ้นมาแก่มันแก่สาวุเป็นนางองค์แต่ธรรมนิสาทรรมนะทั่วไปหากมีบุตรมีเหตุที่พระองค์จะทรงแสดงโดยเฉพาะบุคคลจึงต้องยกธรรมบทนี้ขึ้นมาสาเปตธรรมานานังอภิญิเวสะย์ยะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นน่นเห็นห เมื่อถึงที่แล้วปล่อยไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเพราะเป็นสมมติทั้งนั้นังจะอาศัยอะไรจะอาศัยอะไรนุ่งความอาศัยแล้วสิ้นความพึ่งพึงหมดแล้วจิตก็เป็นธรรมตั้งแท้หมดแล้วเนีน ว่าจิตก็ว่าใช่ไปยังไงเมื่อถึงขนาดแล้วจิตก็ว่าอไปไถ้าถนัดใจก็ว่าทําทั้งดวงทําทั้งแท่งนะั้นสนิทใจมากกว่าจิตทั้งแท่งนจิตบริสุทธิ์อั น, นี้ก็เหมาะเพราะตรงถ้าทร ง, งขันคลองมันอยู่ระขันกันจิตจิตบริสุทธิ์เท่าตามหลักความจริงของธรรมชาตินี่แท่แล้วจิตเป็นทำทั้งแท่แล้ว อาศัยอะไรพื้นที่อะไรเนี่ยการปฏิบัติมันก็ออกภาษามาแล้วผมก็มันดีนะสุกผักมาข่อยดีเ ว, เวลาเ่อเวลาเขาไม่อมึมาะไรบางที่อย่างนี้คิดไว้มันก็ไม่ถิกออกภาษาแล้วมันไม่ค่อยจะมีโอกาสตอนหนึ่งก็มุกให้มุกเพื่อนเย็บผ้า ทำงานนี่ต้องเด็ดเสร็จขึ้นลงไปว่างาเมื่อไรเราจะปดถุ่มมันก็ไม่ค่อยว่างมันก็ น, านก่าจะม า, ส, าสบายแต่สี่วันมานี้ไม่สบายอหอยาท่านปัญญาอธิบายให้หมูเพื่อนฟังเพราเพื่อนนี้ด้วยกว่อน